ฟรุลลอฮ์ตกลงสามสิบสอนะเหมือนกันนะเหมือนกันนะอ่าอ่าเพราะว่าถ้าเราอ่านทั้งหมดเนี่ยกลัวมันจะช้าแเราก็เลยถ้าไม่อ่านเลยก็กลัวว่าพวกเราจะไม่ได้ผลบุญในการอ่านอัลกุรอาน เราก็เลยอ่านอัลกุ ร, รอานนิดนึงส่วนที่เหลือก็ผมจะอ่านเองแล้วก็อธิบายให้จบตอนนะครับเอาละอ่ะซรูรอตุลกะฟียักที่สามสิบสอง أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم و ا ض ر ب ل ه م م ث ل ا ل ر ج ل ي ن ج ع ل ن ا جعلنا لأحدهما جنتين ََّ جنتين ََ من ِ أعنبة ว่ ف ฟัฟน่า هما ب ن บนาขล์ ل ่าจั่งลนาเบีนห ا มาซาร์ะ สักรุลล่นละวตปล่อ่ะตอนนี้นะครับก็เข้าสู่เรื่องราวใหม่แล้วอัสฮะบุลกะฟีเราก็จบไปแล้วแล้วก็เมื่อรอบที่แล้วอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เหมือนกับเป็นการขั้นระหว่างเรื่องราวนะครับเป็นคาสั่งจากอัลล์ะให้กับท่านนาบลีลลอะ ล, ล, ลัยาะหั ทำภารกิจของท่านอย่างต่อเนื่องมั่นคงและไม่ต้องไปสนใจคำพูดของบรรดามุชริกีนหรือข้อเสนอของบรรดามุชริกีนไม่ต้องไปกังวลว่าคนเหล่านั้นจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาหรือไปอ่อนข้อให้กับข้อเสนอของบรรดาคนที่ ลึกๆแล้วไม่ใช่ต้องการที่จะศรัทธาต่อต่อร้ออสุภ า, าอนาวตาร์ล้เพียงแต่เหมือนกับหาเรื่องหาเรื่องยังไงหาเรื่องกับท่านนาบีว่าถ้าเจ้าอยากจะให้พวกเราศรัทธาเจ้าต้องทิ้งใครครับต้องทิ้งบรรดาคนคนที่เจ้าอยู่ด้วยคนที่ไรเครดิตคนที่ไม่มีตำแหน่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ศรัทธา ในยุคแ ร, แรกๆที่รับอิสลามกับท่านนาบีสุลต่ามก็เป็ น, ปนบรรดาพวกขทาสเป็นบรรดาคนที่ไม่มีตําแหน่งในสังคมบรรดาคนยากคนจนบรรดาคนวีไอในพวกโกรชก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าจะให้เราศรัทธาต่อเจ้าเนี่ยเจ้าจะต้องไม่คบกับคนพวกนี้ต้องมาคบกับพวกเราอย่างเดียวให้มาอยู่ในสังคม High Society ไม่งั้นเราไม่เอาเจ้านะครับแล้วท่านนาบีก็มีความพยายามอย่างมาก เหมือนกับต้องการให้คนเหล่านี้เนี่ยรับอิสลามด้วยด้วยความรู้สึกของท่านว่าถ้าคนระดับวีไอพีเนี่ยศรัทธาต่อ Allah มาช่วยงานศาสนาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นท่านอามีไดไ้ไม่ได้หวังว่าเออไปคบกับคนเหล่านี้หรือไปออพยายามทำงานกับคนเหล่านี้นี่เพื่อให้เพื่อจะรับเงินเพื่อผลประโยชน์ทางโลกไม่มีไม่มีเลยไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยคิดอยากจะให้เขารับอิสลาม ศรัทธาต่อ Allah แล้วมาช่วยแต่นั่น Allah Taala ก็ยังตำหนิว่าเป็นเรื่องดุน ي ة อะเป็นเรื่องดุนไม่ต้องไปสนใจให้วสบิรนัฟซักให้กับตัวเองอยู่กับบรรดาใครครับ Allazinayyakuruna r a b b u h i l q t ให้กับตัวเองอยู่กับรรดาคนที่ดูงูนรับบ่ห์มบิลกัดาติหอล่าชีคนที่ทําอิบะดะ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาะออย่างสม่าเสมอก็คือคนที่นะถึงเรามองว่าเป็นบรรดาคนเล็กๆคนยากคนจนคนที่ไม่มีตำแหน่งในสังคมแต่คนเหล่านี้เป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะอล ให้อยู่กับคนเหล่านั้นมากกว่าแล้วไม่ต้องไปสนใจคนระดับใหญ่โตถ้าเขาจะศรัทธาก็ให้เขาศรัทธาไปถ้าเขาไม่ศรัทธาก็แล้วแต่ไปนะฮะแล้วละตาราก็บอกว่าคนที่ไม่ศรัทธาต้องเจอกับอะไรในวันอัคคีรอคนที่ศรัทธาจะได้รับผลตอบแทนอะไรจากลอสุบะฮ์ตะฮ์ลาจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเนี่ยความจริงมันก็ยังเป็นความจริงอยู่วันยังค่าอุลิลฮักคนมันรับบิบความจริงนี่มาจากพระเจ้าของเจ้าว่ามันเชอะเลยุกมินว่มันเชอะเลยักษ์ แต่จะไม่ศรัทธาก็แล้วแต่แต่ว่าต้องไปรับผลกรรมของตัวเองนะครับต้องต้องต้องต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าให้เลือกแล้วไม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นมนย์ต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมของตัวเองไม่ว่าจะเลือกทางไหนมาวันนี้ a a a l a อักาาตอนอีกตออตอนอีกตอนอีกตอนอีกตอนอกอุทาหอนอกอนอกตอนอกตอนอกนอหกตอนกนกตอีกกี ตอรองกับท่านนาบีสัลลัลสัลลัมเนี่ยมันดื้่มากอคือมันไม่ยอมเข้าใจอะจนกระทั่งอัลลอฮ์สัญญ่งตลาบอกว่าลองอีกสักตั้งหนึ่งเล่าเรื่องราวอีกสักเรื่องหนึ่งเพื่อว่าคนเหล่านี้จะเบิกเมรเบิกสมองหน่อยยังไม่ยอมเข้าใจวัลริบละหุมมาสลัมอัลลอฮ์ตลาบอกว่าจงยกอุทาหรณ์เปรียบเปรยให้คนเหล่านั้น ยกุตาหรทนกับเรื่องอะไรมัวอยนรัจูไลนีในอัลกุรอานอีกคนหนึ่งว่าตัลมยซลเนี่ยอัลางเชนเนี่ยถ้าภาษาไทยเราอาจจะเรียกว่าอะไระเป็นการเปรียบเปรอยอ่ะสุภาษิตคำพังเพยได้ไหมถ้าเป็นสุภาษิตนี่สุภาษิตนี่แบบไหนคำพังเพยแบบไหนผมแยกไงออกสุภาษิตนี่เป็นยังไงคำพังเพยนี่ยังไงต่างกันไหมสองอย่างนี้ อสุภาษิตนียาวรว่าสั้นและคำพังเพย อ, อย่างไง <ت ص في ق> อ่ะตงถามภาษ า, าไทยอ่าก็ประมาณนั้นอัลมาซัลเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับที่อัลลอฮฺบอกนะเราเปรียบเทียบหลายอย่างเลยในะอัลกุรอานเปรียบเทียบบรรดาคนที่ชีริกต่อพระองค์เหมือนกับคนที่สร้างเหมือนกับแบ่งมุมที่สร้างบ้านว่าอินّ أ ُ و ْ ح น ا ن َ ا ل ْ ب ُ ي ُบ ت ِ لَبَيْتُ ا ل ْ ع َ เปรียบเทียบเหมือนกับยุง่งเขาเรียกว่าพยายามหาภาพเหมือนที่สามารถอธิบายเนื้อหาที่อยากจะสื่อให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือบางทีพอพูดเรื่องสวรรค์เรื่องนรกมันดูเป็นเรื่องไกลไปสําหรับไอ้พวกที่ไม่ยอมศรัทธาพวกนี้ก็เลยต้องพยายามหาเรื่องราวในโลกดุนีア ที่มันฟังแล้วเข้าใจเลยแต่เป็นภาพสะท้อนไปยังเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับสวรรค์และนรกในวันอาเครอได้อันนี้เขาเรียกว่าอัลมาัลเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันซึ่งในอัลกุรอานนี่จะมีเยอะมากนะครับอัลกุรอานนี่จะมีเยอะมากการยกอุทาหรณเรื่องนูนเรื่องนี้เรื่องนั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้ว อุทาหรนที่ที่เราอ่านกันในเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปด้วย น, ะนักตัปซีดบางตัปซีรเนี่ยอธิบายว่าชายสองคนที่ว่านี้มีตัวตนจริงๆคือไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือว่าเป็นการยกอุทาหรนอย่างเดียวอ่าอัลอาอิฮ์กีละนาลฟีอัคฮวายนมินอัฮลมักกะมินบนมัซูมอดูฮุมะมุเมวะฮวะอบูสเลมาฮับดุลลอฮ์บินอับดุลอั บ, นบิน عبد ลา عبد ยาลิล والآخر كافر وهو الأسوأ ابن عبد العسر بن عبد ياليل. นะครับเซบางท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคือไม่ใช่แค่ยกมาเฉยๆไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีพื้นเพหรือที่มาที่ไปอย่างสุภาษิตคําพังเพยไทยเนี่ยบางทีก็ที่มันออกมาเป็นสุภาษิตหรือคําบังเพยมันมก็มักจะมีเรื่องเล่ามา ก, ก่อนใช่ไหมครับรู้สึกว่า มันเล่านิทานมาก่อนแล้วพอตอนท้ายก็จะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้อ่าก็ประมาณนั้นนี่จะอธิบายคําว่ามัสนให้เราเข้าใจก่อนนะครับ وقال مقاتل يمليخا والآخر كافر واسمه قطروس أ ن <وس> อ, นนอีก إ ت س ن ะหนึ่งบอกว่าสองคนที่ถูกพูดถึงในสุลตูแกฟีเนี่ยหมายถึงโอยยน่ะกับพรรคพวกและกับซัลมะซึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกสองคนในบรรดาเผ่บาบันนีอิสราอีล ที่ชื่อยาฮูซาในทศนะของอัลนาบบาสคนหนึ่งชื่อยาฮูซาซึ่งเป็นมุกมินมุกอัตเตลบอกว่าไม่ใช่ชื่อยาฮูซาชื่อเยมลีฆาชื่อแปลกๆนะในขณะที่กาเฟตมีชื่อกัตทรุสอันนี้เราไม่ต้องไปจำชื่อหรอกเดี๋ยวปวดหัวเปล่าๆเรื่องราวของชายสองคนนี้เป็นยังไงมาฟัง جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع ชายสองคนนี้คนที่เป็นกาเฟรเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้อะไรกับเขาจันทัยนีสวนสองสองอะไรดีสวนนี้เขานับเป็นอะไรสองแปลงสวนสองแปลง สวนอะไรครับมินอันาบสวนอั ง, งุนวาฟัฟน่า ه มบินักลินสวนอั ง, งุนเนี่ยล้อมรอบด้วยต้นอินทผลัมอั ง, งุนนี่มันเป็นไม้และเป็นไม้เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม้ยืนต้นอ่ะมันเป็นมันเป็นอ่ะอามเป็นพืชเลื้อยที่ต้องมีต้องมีต้องทร า, งาร่างพืชว่ารา ร้านอาร้านต้องถาคนคนทำสวนที่ต้องทำร้านซึ่งเวลาลมพัดอะไรมาเนี่ยถ้าลมพัดแรงๆมันก็จะล้มเพราะฉะนั้นถ้าเลยปลูกอินทภาลัมรอบๆสวนเป็นการป้องกันพวกลมพัดพวกพายุพวกอะไรเพราะฉะนั้นจันนเจนีแปลงสองสวนสองแปลงเนี่ยเป็นอ่าน้บเป็นอะไรนะเป็นองางนล ว่าฟ้าสนะหุ่ม ا าบินาข ل ิ่นแล้วสวนอันนนเนี่ยปลูกต้นอินทรพาลาม ร, บรอบๆเพื่อป้องกันอว่ ل เจลเน่ใบนะหุ่มมาจระอาแล้วระหว่างแปลงสวนสองแปลงเนี่ยยังมีจระจระก็คือพวกพืชไร่ที่เป็นอาหารหลักข้าวสาลีข้าวโพดภาษาอาหรับก็จะใช้คำว่าจระหมายถึงพืชไร่ ถ้าบ้านเราก็กินข้าวก็แบบว่าร์เห็นไหมสองสวนเนี่ยมีหมดเลยทั้งพืชยืนต้นทั้งที่เป็นผลไม้ทั้งที่เป็นพืชธัญญาหารที่ใช้เป็นอาหารหลักครบมีทุกอย่างเลยแล้วตาลาให้เขาทุกอย่างเลยอันนี้ผู้ชายคนนี้นะมา샬าลลออ่ะต่อไป แล้วเป็นยังไงครับมีอะไรอีกนอกจากสวนสองสวนสองแปลงแล้วกิลทัลจันนใตนอยตักอูกูลาฮาสวนทั้งสองแปลงนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮคผละมากรากไม้ออกผลดีตลอดเวลาทุกปีไม่เคยมีปีไหนเลยที่ไม่ออกผลให้เจ้าของมันวมมนว่าาาลลิิมมหุชชัยะะตใ้ค ไอ้สวนทั้งสองสวนเนี่ยไม่เคยอายุติธรรมต่อเจ้าของมันเลยตั้งใจใช้คำว่าไม่อายุติธรรมทั้งๆที่เจ้าของมันเนี่ยอายุติธรรมเจ้าของมันอายุติธรรมยังไงเดี๋ยวจะได้รู้หลังจากนี้เราจะใช้คาว่าซ้อเล่มสวนทั้งสองสวนเนี่ยไม่เคยยอเล่มเจ้าของมันเลยซอนล่มเจ้าของยังไงคือถ้าซอล่มเจ้าของก็คือลูกไม่ออก ใช่ไหมไม่มีผลไม้ให้ออกให้เจ้าของมันแต่นี่ไม่มีไม่เคยซาเลมเจ้าของมันเลยออกทุก ป, ปีว่าลมัมซาเลมมิหนูุชัยอัลฟัดจร์รนาขิลาลาหุมานะฮรา يا الله สวนก็มีผลไม้ก็ออกทุก ป, ปีแล้วยังมีอะไรอีกครับในสวนจะให้ครบอยู่ต้องมีอะไรลำทาร ม, มีน้ำไหล เวลาจะรดน้ําเนี่ยต้องไปลากมาจากหนองมาจากคูมาจากหนุ่ไม่ไหต้องลากาไหมต้องขุดบาัานไดไหมไม่ต้องเอาอาไรให้มันไหลเข้ามาเลยก็คือตักกวาดแล้วก็กรดน้ําได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องออกแรงเหนื่อยเอาล่ะใครใครบ้างไม่อยากได้สวนแบบนี้เราทุกคนอยากได้แบบนี้อ่าแล้วก็เอาะอะไรทดสอบ คนที่หมกมุ่นอยู่กับดุนยาแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาอ่าสวยงามมากนี่เรานึนึกภาพออกเลยเราจะนึกภาพถึงสวนไหนดีถ้าบ้านเราก็สวนทุเรียนสวนลำกองอะนะเนี่ยผมเ พ, พิ่งกลับมาจากไปเที่ยวสวนลำกงมาอัลลอฮ์อักบารปีนี้ผลไม้เยอะมากจริงๆ อ, อัลลอฮ์ลำกงนี่แบบ แล้วก็มีลำธารเนี่ยเหมือนนี่เลยลำธารนี่ไหลทงกลางทุเรียนก็มีล่องกล้องก็มีใช้อะไรอ่ะอ่าแต่เจ้าของแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือขายไม่ออกเ <c oughs> <c oughs> จ้าของบอกว่าจะกินแค่ไหนมากินเลยมันขายไม่ออกสงสารมากนะครับเ <c oughs> จ้าของสวนเนี่ยนั่งขายผลไม้ ก, กันดิ่งถนนอย่างละอ่ะนี่ไงขนาดดุนีย์เห็นไหม <c oughs> มีของดีแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้นะ อ่าว่าการแล้วเขาสัมรุนบอกแล้วว่ากานแล้วเขาสัมรุนและยังมีนอกจากจะมีสวนแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแซมรุนตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผ ล, ลไม้ในนี้เขาแปลว่าเ ป, ปละอะไรในภาษาไทยนี่เขาแปลว่าอย่างไงว่การแล้วเขาแซมรุนและเขาได้รับผลิตผลอ่าผลิตผลตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่า ไม่ได้หมาแปลว่าผลไม้ที่ได้มาจากสวนอย่างเดียวหมายถึงอย่างอื่นด้วยวก่านะลาหูไอลิอัดอัลเบซกูร์วะฮ์วะซายบุลจันนตัยธรรมรไอัอันวาอัคราเมนะลมัลยังมีทรัพย์สมบัติอื่นอื่นอีกแสดงว่าไม่ได้มีแค่สวนมีภาชนะมีเงินทองมีบ้านรวยพูด ง, ง่าย รวยทั้งอสังหาและรวยทั้งสังหาริมาทรัพย์เอาอะไรอีกดุ น, ยนียนี้มีอยู่สองอย่างนี่แหละที่มนุษย์หาอยู่เอ๊ะเข้าใจคําพูดนะคําพูดอสังหาทาไมหามันอยู่ข้างหลังนะค <c oughs> ล้วแปลว่าอะไรนะมันจากคําอะไรน่าคิดเหมือนกันเนาะคําแต่ละคําที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยฮะเออแต่แต่ว่าคําว่าหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับกับทรัพย์สินด้วย มันต้องหาใช่ไหมมันต้องหานะอ่าวะลอฮฺอัลลอก็ไปดูเองเห็นไหมอาศังหาริ่มมาซับก็มีสังหาริ่มมาซับก็มีจบแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกพอตัวเองมีทุกอย่างอย่างนี้ก็เลยไปคุยไปอวดไปเบ่งกับเพื่อนของตัวเองที่ไม่มีอะไรววููยาิรุ พูดกับสหายของตัวเองว่า a a ฉันรวยกว่าฉันมีพรรคพวกมากกว่ากล้าพูดได้เต็มปากเลยนี่พูดในอัลกุรอานนะนี่ภาพนี่มันมีในอัลกุรอานนะแล ะ, และภาพที่มันมีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยลองลองปรับหน้าจอมาที่ข้างนอกหน่อยสิมีไหม เกลือนทุกวันนี้มีให้เห็นเกลือนกลาดเลยคนพูดแบบนี้น่ากลัวไหมครับอัลกุรอานไม่พูดอะไรที่ไม่ใช่ความจริงถ้าอัลกุรอานพูดอะไรต้องหาสิ่งที่มันสะท้อนในสังคมและมันก็เจอจริงๆนี่คือความแปลกของอัลกุรอานเลยทีไรไม่มีอะไรที่อัลกุรอานพูดแล้วเราจะไม่เจอในภาพจริงๆมีไหมคนแบบนี้ เคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมเคยดูข่าวไหมนี่เห็นตลอดนี่เราดูนะทุกวันนีน่ตั้งใจยุคนู่นมาจนถึงทุกวันนี้คนแบบนี้มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงจริงจงแล้วมาดูซิว่าเลาอะไรจะบอกอะไรกับเขานะนมีอีกสองอย่างเท่านั้นที่คนมักจะใช้อวดคนอื่นก็คือมาลันทรัพย์สินเยอะชั้นรวยกว่า หรือถ้าไม่รวยกว่าก็เอ้ยกูมีพรรคพวกมากกว่าแล้วก็แข่งกันสองอย่างนี้แหละที่คนในโลกดุนยาเขาใช้เป็นเกณฑ์วัดว่าใครเจ๋งกว่าใครอัรลัยยาบิลละฮัมิลลาเลกเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่ไปพูดกับเพื่อนซึ่งเป็นชาวบ้านตัวเล็กๆคนรวยเวลาไปพูดกับชาวบ้านตัวเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วคนรวยๆเนี่ยไม่น่าจะต้องไปอวดอะไรกับชาวบ้านหรอก ก็ยังไงก็รวยอยู่แล้วแต่เนี่ยกลับพอเห็นชาวบ้านตัวดำตาดำๆแล้วยังไปอะไรอะไรนะยังไปซ้าเติมเขายังไปพูดเนี่ยคำพูดแบบนี้นอัลลอฮอักบาร์หลังจากนั้นเป็นยังไงว่ด้วอละเจนเนต์วะฮูวะซาลิมุลีนัฟซีนอกจากจะไประรานคนอื่นแล้วเนี่ยยังไม่พอ พอเข้าไปในสวนของตัวเองแล้วเราตะแหลาใช้คำว่าวะหัวะซาลีมุนเลนัฟซีฮีวะหัวซาลีมุนเลนัฟซีฮีเข้าไปในสวนของตัวเองด้วยสภาพของการซาเลมต่อตัวเองซาเลมต่อตัวเองยังไงซาเลมต่อตัวเองก็คือคาพูดหลังจากนี้ "قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا" หนึ่งน ok, ี่ประโยคหนึ ok, ่ง "وما أظن الساعة قائمة" นี ok, ่ประโยคที ah, ab, ่สอง "ولَئِنْ ر ُ د ِ د ْ ت ُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا" นี่ประโยคที่สาประโยคที่สี่มีไหมจบแค่นี้ก่อน สามประโยคที่บ่งบอกถึงการดลิมตัวเองปฏิเสธเนืหมัดที่อัลลอฮฺวูต่าลให้กับเขาไม่ยอมรับอันนี้เป็นเนืหมัดที่อัลลอ์ให้อันที่หนึ่งบอกว่ายังไงมาอัลุนูอันทบีดฮะซิฮอบดเข้าไปดูทรัพย์สินเข้าไปดูสมบัติเข้าไปดูส่วนของตัวเองโอ้สุดยอดอมตะนิรังการมันแะเจ๋ง มีความรู้สึกโอหังภาคภูมิถนะึงกระทั้งพูดออกว่ามันไม่มีทางที่จะสูญสลายละอาณาจักรของฉันเนี่ยจะอยู่ยงคงกระพันยอย่างนี้แหละไม่มีทางสูญสลายเมื่ออดุลฉันไม่คิดว่ามันจะสูญสลายมื่อยู่เป็นล้านๆเนี่ยมันจะหมดหรือไม่หมดในคำพูดที่หนึ่งคำพูดที่สอง ว่ามาอดุนุษย์สั่งตะกวาอิมาโอ้ยไม่มีรอกวันขีามัดอ่าไม่มีรอกวันขีามัดวันสิ้นโลกไม่มีทางเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงพูดที่สองไม่ศรัทธาต่อวันอาเครอโดย ก, การที่ตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยสรรหาทุกอย่างสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ถ้าสมมุติรักษาเขาเรียกว่าอะไรนะหายาที่เขาเรียกว่ายา อายุวัฒนะโอททำได้ละถ้าทำได้นี่ทำละเพื่อที่จะรักษาชีวิตตัวเองให้อยู่ยาวยืนยงคงกระพันมีชีวิตอยู่ในโลกดลนยอนนี้ไม่คิดว่าจะมีวันอัคคีระห์หรือถ้าสมมุติว่ามีวันอาคิีระห์อันนี้สมมุตินะไม่ได้เชื่อแค่สมมุติพูดว่าวัละอินรุดิตุ ถ้าสมมุติว่ามีวันอขคราจริงๆแล้วฉันต้องกลับไปหาพระเจ้าจริงๆเนี่ยและอจีดันนะครรมมินฮามงกะลาบาไม่ต้องลงนรกหรอกฉันแต่ฉันจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าอีกนี่พูดด้วยความโ oh, อหังตัวเองไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วเขาบอกว่าแล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันมีวันข้างหน้าจริงๆมันไม่มีหรอกนรก ฉันก็จะได้กลับไปหาสิ่งที่ดีๆที่ทจะได้รับอีกในวันอาคิีรั์อีกรอบนึนี่คือสภาพของคนที่อลาตะลาเรียกว่าซาลิมนลินัสสิเป็นพวกที่โอหังเป็นพวกที่ภาษาอับเรียกใช้คำว่าอัลลูรูรหลงตัวเองโดนทรัพย์สินหลอกจนกระทั่งตัวเองหลงคนที่หลงตัวเองใครเป็นคนหลอกผีหลอก ชัยตอนหลอกดุนยาหลอกอ่ะถ้าหลงทางเนี่ยคนอื่นอาจจะหลอกแต่หลงตัวเองนี่ก็คือนี่แหละสองสามอย่างนี่แหละที่หลอกจนกระทั่งมนุษย์เราสามารถที่จะหลงตัวเองการหลงตัวเองเนี่ยเป็นเป็นบาปใหญ่หมายถึงว่าเป็นบาปที่สามารถทําจะให้มนุษย์คนหนึ่งนั้นเจอกับภญานาได้อลกรูอ์เอจับุลมรี บญั ir, hum, n ang, n ue, ิสิใน h a ด i ษของท่านนบีถ้าผมจำไม่ผิดนี่ท่านเรียกว่า s u บเจ็ดสิ่งของเรานี่เจ็ดสิ่งมหาจัลแต่ hadis นี้เจ็ดสิ่งไหยนะไหยนะเจดอย่างท่านนบีพูดน่นนั้นก็คืออ j a b u l mari เบนัสิฮการที่คนคนหนึ่งรู้สึกอะไรนะหลงตัวเอง อันนี้ต้องระวังสภาพจะไม่ต่างกันจากคนเหล่านี้าจากจากกษเตรจากบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอสบาลตาละแล้วยังคิดถ้าคิดไปเองว่ า, าตัวเองจะได้รับนู่นนี่นั่นโชคลาภต่างๆที่ลอสบาลาจะให้เขาในวันอัคราวัลัยาะบิลเบลลาอัเลาพอพูดจบปุ๊บเพื่อน เพื่อนที่เป็นคนยากจนคนเนี้แต่เป็นผู้ศรัทธาต่อรอดสว่างตาาะออะลรก็ตอบกลับว่าอย่างไรมาดูนะครับอีกคนหนึง่งคนแรกพูดด้วยความโอหังในขณะที่คนที่สองเนี่ยจะตอบกลับว่าอย่างไรมาดูกันมาดูความแตกต่างของคำพูดระหว่างสองคนนี้ลาลลววูว กฟบีเ ก, ะกะนพื่อรเนพื่อนของเขาก็พูดกลับอีกครั้งวาาเจ้าจะการร้าวไปจาอพู้ที่ทรงสร้างเจ้ากระนั้นหรือ่ง่ายๆแต่ชัดๆไม่ต้องพูดยากพูดง่ายๆนี่เจ้าจะจะทรยศ คนที่สร้างเจ้ากรนั้นหรือสร้างจากอะไรสร้างมาจากดินอ่าไม่ได้ดีเลิรมาจากไหนนะครับถูกสร้างมาจากดินซุมมะมินนด์ฟตินซุ่มมะเสวยคาราจุลละอัลลอฮ์ที่สร้างเจ้ามาจากดินอาดัมถูกสร้างมาจากดินแล้วลูกหลานอาดัมก็ถูกสร้างมาจากนุตฟา หยดน้ำแค่หยดหนึ่งทั้งดินและทั้งนุ่นฟ้าเนี่ยมันกระิตริษมากถ้าว่ากันตามที่มาของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่มีข้ออ้างเลยที่จะโอหังอย่างนี้ตอนนั้นอัลลอฮบ่าวตายแล้วถ้าคิดจะโอหังเอามาแรกๆมาจากดินอาดอ ม, มาจากดินหรือพวกเราทุกคนที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยมาแรกแรกมาจากอะไรน้ำแค่หยดเดียวที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึง ไม่มีใครอยากจะพูดถึงมีใครเอาเรื่องแบบนี้มาพูดในในร้านกาแฟไหมไม่มีมันเป็นเรื่องก็เรียกว่าเรื่องส่วนตัวส่วนลับๆเรื่องเรื่องที่เขาไม่คุยกันเรื่องในมุ้ไม่มีใครเอามาพูดจงแจ้งในที่สาธารณะนในที่ทานกำนันเห็นไหมแล้วยังมาโอหังตัวเองมาจากน้ำอะไรออกมาจากท่อเดียวกับอะที่ถ่ายของเสียบุญญารุบิลลัยเมนซาลี ยังไม่สำนึกเหรอสุภานัลลอเรามีเกียรติเพราะอะไรเรามีเกียรติเพราะอะไรมนุษย์มีเกียรติเพราะอาลัาลลอฮฺอะไรให้เกียรติหรือว่า ต, ตัวของมนุษย์เองเป็นอย่างไรไต้องดึงสติกลับมาอักัฟัรตเจบิลละลกเจ้าจะทรยศพระผู้สร้างของเจ้าหรือซึ่งสร้างเจ้ามาจากอะไรมินทราสร้างมาจากดินแล้วก็สร้างมาจากนะมัสูจิ ซุมมาสูว่าเยลและที่เจ้าองหังอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นคนทำให้เจ้าปีกล้าขาแข็งอายะวะครบ32ดูได้ฟังได้คิดได้เดินได้ตกได้ตีได้ใครอัลลอ์สุบฮาร์ฮุตะอลลทำให้เรามีอายะวะครบทุกองค์ประกอบแล้วเรายัางจะทรอยต์ต่อพระองค์อีกหรออัลยอลลอฮฺอั Allah ั แต่ทวนาอัลลอฮฺรับบีตอนแรกถามเขาตั้งคำถามกับคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ต่แล้วว่าเจ้าจะปฏิเสธอัลลอฮ์หรือพอตั้งคำถามเสร็จมาบอกความศรัทธาหรือความเชื่อของตัวเองให้อีกคนหนึงฟังด้วยตัวฉันเองเนี่ยฉันเชื่อว่าอัลลอฮฺรบบี ฉันเชื่อว่า Allah bin Fajar นะครัน ولا أشرك به ش, ش ي ئ ุ ولا أشرك بربّي أهدا และฉันจะไม่ตั้งพาคีกับพระเจ้าของฉันแม้แต่สิ่งใดเลยนี่เป็นวิธีการนะครับเวลาที่เราเจอคนที่โอหังแบบนี้ไม่ต้องพูดให้มันมากความตั้งคำถามให้เขาสำนึกเขาเรียกว่านิ่ง และตอบคำถามแบบเรียกเรียกแต่หนักแน่นมั่นคงหลังจากนั้นแนะนำสิ่งที่ดีกว่าบอกเขาว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงสิ่งที่ไม่ถูกตั้งคำถามให้เขาฉุกคิดว่าเอ้ยมันถูกเหรอที่คิดแบบนี้มันน่าจะผิดได้ไหมอ่ะและสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรก็นํำเสนอไปอัลลอฮฺรับีเวลาอุชริกุบิรบบี อนนี่คือแนวทางที่ถูกต้องต้องบอกให้เขารู้วาเอิัลตะจันนเพิ่มด้วยคำแนะนำต่อไปคำแนะนำคำแนะนำว่าอย่างไงวาอิัลตะจันนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเจ้ามันน่าจะเป็นการดีกว่าเา ล, ลเป็นคำพูดที่ประมาณว่าน่าจะดีกว่า เล่ ل ลอิศร์ขัลตเจนนาจักตอนที่เจ้าเข้าไปในสวนของเจ้าเนี่ยแทนที่เจ้าจะไปพูดว่าโอ้นี่อาณาจักรของฉันไม่มีวันล่มสลายวันเกียมัดไม่มีทางจะมาแทนที่เจ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยน่าจะพูดอีกแบบหนึง่งพูดว่ายังไงกุลจะมาชาอัลลอฮ์และกุลวะอิลลาบิลลา พี่น้องครับท่อนนี้เนี่ยนักกัฟซีรบอกว่าเหมือนกับเป็นเคล็ดเป็นดูอาหนึ่งเพราะว่าบางทีเวลาที่เราใครก็ตามเนี่ยมันมีคาพูดที่บอกว่า مَا าอุ م หนุน a ل l a h บน عبد นิมิตน์น์นะครับน์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์นาน์น์น์น์น์น์น์น์น์น์นะน์น์น์นเน์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์น์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่ทันไม่ทันใช้งานตอนแก่เป็นกังวลไหมครับอ่เป็นห่วงไหยลูกเรา <c oughs> กลัวว่าจะไปเล่นน้ำตกน้ำกลัวว่าจะพิการกังวลหรือถ้ามีเงินเยอะเยอะมีทรัพย์สินเยอะยะมีสวนเยอะกลัวไหมว่าจะโดนไฟเผาโดนไฟไหม่เป็นห่วงเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะให้เน็หมัดที่อัลลาฮฺอลอลประทานเนี่ยให้กับเราอยู่ตลอดเวลารักษาให้มันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาให้เขาใช้คำพูดนี้เวลาที่เราเห็นทรัพย์สินของเราแล้วเนี่ยมาชาอัลลอฮฺละกุวดะอิลลาบิลลาให้คิดวันนียเป็นอะไรฮนะมาจากไหนมาจากอัลลอ ไม่มีอำนาจใดนอกจากอัลลอ์ที่เรามีทั้งหมดเนี่เป็นเพราะอัลลอ์ที่มันอยู่ได้ปลอดภัยทุกวันนี้ก็เป็นเพราะอัลลอฮ์อัลล์รักรักษามันอัลลอฮ์พิทักษ์มันดีไหมครับขับรถไปโอ้รู้สึกดีที่มีรถมาชะลอรถชั้นสวยก็ไม่เป็นไรชมรถตัวเองไม่เหียวหนาะแต่ชมให้ถูกโอ้สุดยอดอสุดยอดนี่ไม่ใช่มาชะลอนะ ถ้าจะถ้าจะสุดยอดี่ให้มีมาชะอัลลฮ์ด้วยมาชะอัลลอฮ์มาชะอัลลอฮ์กอนมาชะอัลลอฮ์สุดยอดอ่านว่าไปลาอูอัลใจลาบิลละเพื่อเป็นการอย่าให้เป็นเหมือนกับชายที่โอหังกับอัลลอฮ์สุบฮานอัลต้าอลและเป็นคำแนะนำจากอายัดนี้ในสุราตุกะฟีนะครับที่ชายผู้ศรัทธานี่ไปแนะนำเพื่อนของตัวเองว่าเฮ้ย เวลาที่เจ้าเข้าไปในสวนของเจ้าไปดูทรัพย์สินของเจ้าไปดูนี่นั่นแล้วรู้สึกชื่นใจรู้สึกสบายใจแทนที่จะโอหังต่อเลาะซาวใจล่ลน่าจะเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนคำพูดว่าอย่างไรอัลลอฮฺละกุอตอิลลาบิลา ล, าาลาห์าลฮลวะลกุอตอิลลาบิลลาห์ลกุตเนี่ยเอาตามนี้เลยก็้ละกุอตอิลาลาบิลลาห์นี่คือคาแนะนนะครับ บอกว่าพฤติกรรมของตัวเองนั้นผิดนะพฤติกรรมที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงและแนะนําถ้าสมมุติว่าอยากจะพูดเปลี่ยนคําพูดพูดคําอื่นที่มันดีกว่าอันนี้คือจุดสําคัญเหมือนกันเวลาที่เราห้ามอะไรใครสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีคนที่ถูกห้ามเนี่ยเอา้เาแล้วจะให้ทํำยังไงอ่ะเห็นไหมคือเราเวลาที่เราห้ามเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะเคว้งเลย เราห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามแต่ไม่มีอะไรที่จะให้เขาเขาทําทดแทนสิ่งที่เราห้ามจากเขาเหมือนลูกเราระบอกนี่เล่นแต่มือถือทั้งวันเลยหยุดเล่นซะบ้างถามต่อสิว่าหยุดเล่นเราจะให้เล่นอะไรใ ห, ใ ห, ให้ให้ทําอะไรป้าจะให้ทําอะไรอ่ะ <laughs> หยุดเล่นป้าก็ไม่ได้ไม่ได้ให้จะ ใ, ให้ลูกทําอะไรนี่นี่คือ วิธีการที่อรสะลาสอนเราในอายัดนี้เห็นไหมถ้าอยากจะให้ลูกหยุดเล่นมือถือเราต้องหาอย่างอื่นให้ให้ลูกเล่นอย่าห้ามอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสิ่งทดแทนให้กับให้กับเขาได้ไหมบทเรียนนี้จากอายันี้อย่างอื่นก็เหมือนกันวัยรุ่นก็เหมือนกันเราบอกวัยรุ่นนี้เลิกซะเถ อ, อะแว้นอยู่ตลอดแล้วให้เลิกเลิกได้มา้างละเลิกแวนแล้วจะให้ไปไหนอันนั้นสาคัญกว่า เพราะที่เขาว่นๆกันอยู่นี่เขาไม่รู้จะทำอะไรถ้าสังคมเราบอกแล้วถ้าเราไม่ให้พื้นที่กับคนหนุนคนเยาวชนคนหนุ่มคนรุ่นใหม่เขาจะหาพื้นที่ของเขาของเขาเองแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบถ้าสมมติเราไม่หาพื้นที่ให้เขาอันนี้สำคัญเรื่องของเยาวชนไม่ใช่ปัญหาของเขานะเป็นปัญหาของเราเราจะห้ามเขาเลิกเนี่ยต้องเตรียมสิ่งที่จะให้เขาทาด้วย นี yani, ่เ yani, ป bon, ็นเทคนิคท wa ี anya, um, no ่เขาใช้ที่เราได้รับบทเรียนจากอายัดพวกนี้เป็นต้นนะครับอ่าล้อิลเตจันนลัลลอฮ์อิลลารันีอันะอัควลเลมินคาเมลนัววะลาดะถ้าเจ้าเห็นว่าฉันเนี่ยมีทรัพสมบัติน้อยกว่ามีพักพวกมีลูกหลานน้อยกว่า อันยุติอนนี้ใครรำมินจันนทิกฉันหวังจากอัลลอฮฺสัมบอฺว่าพระองค์จะให้สิ่งที่ดีกว่านั้นสิ่งที่ดีกว่าสวนของเจ้าวยุรศิลาอะไลฮ์ฮุสบานัมมินัสมาและฉันกลัวว่าอัลลอฮฺจะส่งอะไรเอ่ยฮุสบานนั้นหมายถึงการลงโทษที่กำหนดมาแล้วจากข้องฟ้า ฟตุบ bihasi dan z a l a q แล้วสวนของเจ้าก็จะราบเรียบไม่มีอะไรเลยล้มหมดเลยหายไปหมดเลยเอายุสบ i h a m a uhaqoura หรือเป็นไปได้เหมือนกันถ้าอัลลอฮฺจะให้น้ําในสวนนี่มันมันเหือดหายไปหมดแล้วจะเอาน้ําที่ไหนมาใช้เอาน้ําที่ไหนมารดน้ําต้นไม้เอาน้ําที่ไหนมาดื่มกิน ฟันตตีอลลอตลบแล้วเจ้าก็จะไม่มีวันที่จะไปเรียกร้องหาน้ำจากที่อื่นได้อีก น, นี่คือกระบวนการน a s e h ที่เราเรียกว่าครบทั้ ง, งสี่ด้านสี่วิติเลยอันดับแรกทำลายความเชื่อผิดๆของเขาก่อนด้วยการตั้งข้อสงสัยเฮ้ยจริงเหรอ ที่เจ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยพฤติกรรมของเจ้าแบบนั้นเนี่ยมันผิดมันถูกหรอือตั้งคาถามก่อนตั้งข้อสงสัยอันดับที่สองบอกว่านี่ที่ถูกฉันเนี่ยอัลลอฮ์นะฉันเนี่ยอัลลอ์พระองค์เดียวบอกอะติดาที่ถูกต้องทําลายตั้งข้อสงสัยกับอะกิดาที่ผิดบอกอะกิดาที่ถูกต้องให้คาแนะนาถ้าสมมติว่า สั่งห้ามให้เลิกแบบนี้ไม่ควรทำให้คำแนะนำว่าสิ่งที่ควรทำควรต้องทำยังไงปิดท้ายด้วยการขู่นิดๆเรียกอะไรนะก็เรียกปิดท้ายด้วยการเออปิดพนึกเลยให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้จนแบบว่าไปต่อไม่ถูกให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่มีคำตอบละ ต้องมีการตรี ด, ด้วยเพราะเรียกว่าให้กลัวหน่อยๆด้วยว่าถ้าทําอย่างนี้อีกเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวบางทีก็เดี๋ยวพายุอาจจะมาฮะเฮริเคนดิเรชั่นใครจะไปรู้อยู่ดีๆพายุจะหมุนมาเหมือนตอนนี้ที่อีสามนมาชงศัลลพี่น้องนะครับถ้ามีสามารถจะช่วยเหลือพี่น้องของเราตอนนี้ได้ที่อีสานเห็นไหมอยู่ดีๆมีใครจะคิดว่าเอออยู่ดีๆ พี่น้องเราพี่น้องชาวไทยที่อีสานกำลังประสบกับน้ําท่วมมาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือแม้แต่จังหวัดเราเองบ้านเราเองวันก่อนสองสามวันที่แล้วเออสัปดาห์มันมาตลอดนะแจ้งเตือนล่วงหน้าไหมนี่เรามีอุปกรณ์พร้อมมีทั้งเรดาร์มีท้งโน้นมีทั้งนี่มีทั้งนัน่ น, นแต่เวลาที่มันมาจริงๆทำอะไรได้พังหมดเต็นท์หักหมดเลยบางคนเนี่บอก ว, วันก่อนเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งแถวๆบ้านน่น เต้นไปหมดไม่รู้จะทํำยังไงคือมาทีเดียวก็ไปหมดเห็นไหมอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะต้องกลัวหน่อยสิต้องระวังหน่อยสิความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยบางทีเรากํากับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันมันอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์แล้วมันอยู่ภายใต้การควบคุมของใครถ้าไม่ใช่การควบคุมของล่องสุมาหานดาวอสาเห็นไหมครับการนําเสนอวิธีการแบบนี้ ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเอามาเรียนแบบได้เอามาเป็นโมเดลเอามาเป็นตัวอย่างในการที่เราจะพูดคุยกับคนที่ดื้อรั้นไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมเชื่อมัน่นไม่ยอมปรับตัวใช้ชีวิตอย่างหลงไม่ว่าจะเป็นหลงไหลในดุนยาจนเลยเถิดหรือหลงตัวเองเพราะตัวเองมีทุกอย่างที่คิดว่าเป็นองค์ประกอบสาหรับการใช้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายในโลกดุนยานี้จนลืมนึกไปว่าตัวเองไม่ได้คุมโลก ตัวเองไม่ได้คุมสภาพอากาศตัวเองไม่ได้คุมปัจจัยต่างๆที่สามารถจะทำลายความสุขสบายของเราได้เพียงชั่วพริบตาเดียวคนที่คุมทุกอย่างคืออัลลอฮฺสุบฮานาัฺนะครับอ่ะยังไม่จบเช้าแล้วเดี๋ยวเราต่อรอบหน้าก็แล้วกันนิดหนึ่งว่าผลสุดท้ายสวนที่ว่านั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับ a ا ل ل h t a ا ل a عالم و ف ق الله إ و الله ن ا الله إياكم لما يحب ويرضاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحان ربي كرب العزة أما يسفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم و ر ح م ه الله